นั่นเองตงนับสองท้ายปีเก่านับสุดท้ายข้างมามาอีกทีได้ไหมครับมาอีกทีที่ว่งานนี้แล้วเราจะไฉลิมปีสงท้ายปีเก่าปีเก่ากันใช่ไหมปีงานเยอะไหมงานเยอะวนันที่หนึ่งมกรานี้ปกติที่วัดมีกิจรกรรมพิเศษอะไรไหมครับหรือว่าธรรมดาวันที่ก็ก็คนจะมาทำบุกตาม การะัตรเทิงหรือว่าวันวันที่หนึ่งเป็นวันเริ่มต้นขอ ง, อง้ีนะจะมาทาบุญกับเพื่อของใจเยอะเหมือนเม่อเช้านี้เรื่องอาจจะมากกว่ามากกว่าแต่การบินบาทบันรบัคลากรก็ยังเป็นปกติอยู่เหมืนดิมไม่มีการจัดพิเศษรอบสาาอัปดาห์คืมีเพียงวันตารบาตรเทิงเทะนั้นที่ต่างบาตรนวันนอกนั้นก็ออกไปบินทบาท ตามปกติที่วัดเามีงานประจาปีอยู่สองสองสองสองครั้งหรือต้องเดินมกกรณะวันอาทิตยที่สองของมกกรณะทุกปีเราจะนิมนวนพระมารับสังฆทานช่วงต้นปีนี่ครับนิมนต์เก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูปมารับถวายรับสังฆทานแล้วก็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 คือก็มีเรียกว่ากุณซือกุนซื อ, อที่เขาเรียนั่งภายในเป็นเท้ามหาพรหมเ <c oughs> ท้ามหาพรหมอะไรชื่อวิรุนหักกะเขาก็จะไปเป้าเท้ามหาพรหมแล้วก็รับ เขาปึกษาจากท้าวมหาสมจะทํ า, า, าทอย่างไรให้วัดจะิญร่เรืองหรืเขาปรารถนาอะไรเขามาจะศึกษาแับคือมีคนที่เขาเข้าส่งที่เข้าส่งน้ำมีท้าวมหาส่งให้มาปรากฏให้คำแนะนําต่างๆก็เลยก็เลยคิดว่า เขาคงแนะนำให้ทรมหาสรารคานที่เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ทำในในในคำสอนของพระพุทธเจ้าตรพุทธ้าสองนงอนดีเจริญกดด็มีเสื่อมเดินทางไรครับไม่ได้ให้ยึดติด ก, กับเรื่องต่างๆของโลก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 พื้นที่ไม่พอเกลียดยกยกพื้นขึ้นแล้ใช้พื้นชั้นางแทนเพราะงั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรัำวัตถุก็ตามอย่าไปนหลงอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้งานเลิกไปตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันมี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 ทำกรกปอารมณจิตใจการสร้างพระขึ้นมาในจิตใจพระแปลว่าประเสริฐสร้างพระก็หมายถึงสร้างผู้ประเสริฐขึ้นมาในจใจของเราผู้ที่จะประเสริฐได้จะต้องเป็นผู้ที่สงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงถ้ามีความ โ, าามโลภความโกรธความหลงแล้วจะไม่สามารถตั้งอยู่ ในความประสบได้เพราะความโลภจะคอยขับยันให้ไปแสวงหาสิ่งต่างๆเมื่อมีอุปสรรคมีปัญหาในการแสวงหาด้วยวิธีสุดจริญก็จะหาวิธีที่ไม่สุดเจริญเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาต้องต้องการเมื่อทําดังนั้นจะประเสริบได้อย่างไร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 จนปรากเป็นจักรวรรดิขึ้นมาจักรวรรดินิยมมีนนา้มีเครื่องม้เครื่องมือมีอาวุธก็ออกไปต้อนไปกว้านเอาพื้นที่มาอยู่ภายใต้การปกครองขัง้งหมแต่ไม่คิดถึงกองทุกข์ทรมานที่สร้างให้แก่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 รู้เห็นคุณท่าของแสงสว่างแห่งธรรมแต่สามีกับเหมือนกับคนหึงโง่ตาบอดไม่ได้รับประโยชน์เลยทั้งที่ปัญญาก็ปยายาจะโน้มน้าวพยายาจะจุดดึงเข้ามาแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเข้ามาเป็นเท่าไรากิโยมที่มีฟ่าด้วยกันทั้งสามีทั้งปัญญานี่ดูจะมีไม่ค่อยมาก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 หน้าพี่ที่ถูกต้องน้อยกว่าผู้ที่เข้าใจว่าการพัฒนาทางด้านน่ า, าบยศและแสง ส, งสุดพวกนี้จะมีมากกว่าถึงแม้จะมาเกิดในยุคที่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็จะไม่ได้รับเปลี่ยถ้าเปรียบเทียบจำนวนก็เหมือนกับ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 ดังในบททําควรที่แสดงมา ว, ว่าปัจจักรังวิญนูเวิยอาไรนะเรียกว่าเมริทับโวเวียูอะไรเนี่ยต้องท่องแต่ตออ้นอีกยันได้ก่อนแต่ความหมายก็คือว่าทานี้จะรู้ได้จากเวียนยูชนเวียนยูชนก็คือที่มีอินทรีย์ ป, ปัญญาปัญญาอินทรีย์มาก อินทรีย์นี่มันมีอยู่ในทุกคนเน่มีอยู่ห้าส่วนมีสมาธิมีศรัทธามีสติมีสมามส ธ, ามธมมาิมีปัญญามีวรยะแะคบอินทรีย์นี้ส่วนอย่างก็เอามาใช้ในทางโลกกันในทางการแสวรหาลาบยึกสรรเสริญสุด น, น้อยคนที่จะได้อินทรีย์ที่จะมาใช้ในทางปัญญาทางศาสนา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 ที่ดาราลาแบบใส่แบบนี้จะผลิดออกมาขายเป็นจำนวนแสนชุดล้านชุดได้แต่เสื้อผ้าที่ปลิตให้กูบาจาร์ใส่ขายไม่ค่อยออกกันถ้าซื้อก็ไม่ซิ้นมาใสายย่เองซื้อไปให้คนอื่นซื้อไปกับไายพระพระก็มีเต็มตู้น้อตู้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 เพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กัจิตใจนี้กลับมองไม่เห็นคุณค่ากัหมดกลับเห็นการอยู่กับสิ่งที่ไม่นีคุณค่านี้มีประโยชน์กว่าการที่เราจะตัดจะละมันไปถ้าเราเห็นอย่างนี้แสดงว่าเรายัางไม่มีปัญญายัางเป็นมิจฉาทิจฉอยังเห็นกงจกากเงินดอกด้วย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 แต่ความมั่นคงความสบาย อ, อกสบายใจความเบา อ, อกเบาใจความพอใจความอื่มหนำสำรางใจนี้มันเกิดจากการละลาบกาละการสแสวงหาหนา้าที่สุขมันเกิดจากการกําจัดความโลภความอยากให้มันขึ้นไปจากตัวจากธรรมเพราะั้น งานของเราก็อยู่ตรงนี้งานของเราก็อยู่ที่การละความสุขทางโลกแล้วก็มาสร้างความสุขทางใจด้วยการบำเพ็ด้วยการปฏิบัติทั้งทางทั้งสียทั้งสธะทั้งปัญญาทางการศึกษาได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อ ย, เ, อยเพราะการปฏิบัตินี้จะต้องมีมครูคอยสอนเหมือนกับนักกีลา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 พรามันจะได้พักให้เราไปเป็นไปไปบวชได้ถ้าเรายังในขณะเป็นคราวาสเรายังไม่มีปัญญาที่จะทางานให้เราไปบวชแล้วเราจะไปบวชได้อย่างไรถ้าไปก็ไปแบบเท้าถุดนาไปแล้วก็ตกกระไดซอยโจรไปกับเขาแล้วก็บางทีก็ส่วนใหญ่ก็ไปแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะไปแล้วก็ไม่จะไม่มีปัญญาพอที่จะควบกลุก่มสั่งสองจิตใจ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 แต่คนที่ปฏิบัติตั้งแต่ยังเป็นคาวาสอยู่ปฏิบัติจนเกิดความเบื่อง่ายในเพศของคาวาสถ้าไปแล้วก็จไม่ค่อยกลับมาปรงนี้ไปจริงอย่างนั้นก็ขอให้เราใช้กระดาที่มีคิณค่านี้ไปกับการพัฒนาจิตใจกาจัดความโลภความอยาเทั้งหลาย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 ร่างกายมันก็มีแต่จะร่วงโรยแต่เรื่อยๆตามตามเวลาเหมือ น, นใบไ ม, ม้มันเขียวต่อไปมันก็จะกลายเป็นเขียวเหลืองแล้วมันก็จะหลุดมันก็จะคลอดใบนงมาร่างกายของเราทุกคนก็เป็นเช่นเดียวกันจะไปเร็วไปช้าท้ น, นแต่ไปเนี่ย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 ที่ความเจ็บปวดทางร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดจากความกลัวความเจ็บนี่พอเราไม่กลัวความเจ็บ ด, ด้วยเราดึงใจออกมาจากความเจ็บของร่างกายนนเช่ น, นเวลาเรานั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บปวดเราดึงมันเข้ามาด้วยทิศโทกันนะใบกรรมให้มันถือยึดอยู่กับมันอยากคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวพอจิตไม่ได้ไปตบกังวลไปอยากไปกลัวกับความเจ็บแล้วความ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 มที่เรานั่งเจ็บนี่เพื่อจะให้เห็นอริยสัจถ้าเห็นอริยสัต์แล้วมันก็บรรลุผลแล้วรู้แล้วว่าทุกข์นี้มันเกิดจากกิเลสเกิดากปัญหาเราเห็นแล้วว่ามันดับด้วยสติปัญญาที่เราสามารถแยกยะทุกสองส่วนนี้ออกจากกังได้คือปล่อยวางทุกข์ทางร่างกายด้วยการละความอยาก ความทุกข์ของร่างกายพอเข้าจหอยกนี้แวบาเวลาร่างกายมีความเจ็บปวดอย่างไรก็รู้แล้ววิธีที่จะไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นกคต้องปล่อยความเจ็บปวดให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ต้องไปกลัวบอกจะฉิดยาก็ให้เขาฉีดไป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 คือมันทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมาเรามียากินแล้วอว๋สบายใจละวัอเห็นหน้าหมอก็อสบายใจมันเป็นยาทางด้านจิตวิทยามากกว่าถ้า ม, ม, มีมีธรรมะโอสถน่าจะจ ะ, จะไม่ต้องอาศัยยาบนี้ยาหมองยาดมยาแก้ปว ย, ยาแก้ ยาทานยาแคปขัดขยอกอะไรนี่เราไม่ใช้ ม, มันทำห้าหาบมั้งแต่ว่าไม่เคยใช้มันเลยไม่เคยใช้ยาไม่เคใช้ยาหมองไม่เคยใช้ยาที่ยาเดียวไรแมบนั้น ทำกิจให้เรื่องเดียทำกิให้ใจียเดีย ว, ยยวยปัญหาเก้าสิบเปเ็นต์เนมันหายไปัญหาหใจได้หายไปหมดไม่แต่สัญหาทางกายที่มันก็ต้องเป็นต่งางๆาเรื่องของมันนี่คือการปฏิบัติระหว่างกายกับใจ่นี้ใจปล่อยวางกายใจก็สบาย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 ก็สดใสเหมือ น, นสาบน้ำใส่หลังพ่อเขาไม่เอาเลยไม่ใส่ส า, <c oughs> าไปก็เสียน้ำไปก็เปล่ปา <c oughs> คนเดีนว่าก็ดูแลกันได้เป็นหูเป็นใหญ่กันหน้าแต่ให้มันมีมีมีมมกรอบมีขอบเขต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 มันจะอยู ik 哈哈哈่ตรงการดีก็ร <for people, S 1> ู้ว่าดีไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีไม่มันเกี่ยวอะไรกับเราหมมันไม่ดีมันก็ลง้ของเขามันดีก็รู้ของเขาเราขอให้เราดีไว้ก็แล้วแต่ดีของเราก็คือยแข่ดีของเราก็คือให้นิ่งให้สงบตั้งองก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเป็นเครื่องมือ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 ของสติสมาธิและปัญญานี่แะละน่เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมีกันเครื่องมือนี่สติก็ไม่ค่อยต่อเนื่องสมาธิก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนิย่หรือไม่เคยเนิ่งเลย <c oughs> ปัญญาก็ไม่เห็นตายรักเลย <c oughs> เห็นแต่สุกอย่างเดียวถ้าที่ททันลงลแก่วมองไม่เห็น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 พอเงินขาดมือไปเนี่ยมันตึงอารมณ์ก่าทำลายกำไร ไ, ได้นะเงินนี่ก็เป็นเหมือนยาเิพติดเพียงแต่ว่าสังคมยังยอมรับกันได้เพราะทุกคนติดกันก็ต้องยอมรับกันถ้ามาทำกฎหมายห้ามเสพเงิน้วก็คงจะยุ่งกันแน่ทุวอย่างใน้อกนี้ที่เราเสพกันนี่เหมือนยาเสบติดนะ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 มันก็นเหมือนกับยาติดติดเนี่ยติดอะไรก็มันก็เลิกยากแต่เลิกได้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลิกไม่ได้เลิกได้แต่คนแต่ต้อกล้าหาต้องสู้ันต่ตาเลยว่าต้องเป็นนักลบเนี่ยเป็นนักลบ <c oughs> ต้องสู้กับีเหลน get. อย่าไปหลบอย่สสาไปหลบกับตีเนฮะสู้มันฆ่ามันทําลายมันตักมันได้ได้ไปอีสานมาได้ยินเรื่องครูบาอาจารย์เจ็บป่วยฮะก็เลยได้คุยกับครูบาอาจารย์ว่าวิบาวหุ่นขันเนี่ยมันใครทํามาเท่าไหร่เราไม่ทราบเราเองก็ไม่รู้วาระสุดท้ายของเราเนี่ย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 หนึ่งไม่เกินเจดปีที่พระเจ้าทรงสอนอทนไม่ได้แค่เจ็ดปียอมทุกไปเป็นกับเป็นกันอยอมเหยียบยอมให้มีเทียงน้ำอยู่ในท้าแล้วก็น้อนกระเพะกระเพะไปเรื่อยๆอะไรที่อย่างนี้มันมันก็จะมีกำลังใจ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 แต่ถ้ามันทุกข์ก่อนแล้วสุกไปมันก็ยั ง, ง, อยงพอพอจะเอาอยก็เนี้ยต้องต้องเขต้องทุกแบบทางการปฏิบัติทุกข์ก่อนแล้วก็มาสุกทีหลังดีกว่าสุกก่อนแล้วต้องมาทุกข์ทีหลังเหมือนกับจ่ายก่อนแล้วค่อยได้ของดีกว่าได้ของมาแล้วต้องไปจ่ายทีหลังเพาะว่าจะไม่มีจ่ายกนี่ติดขินไม่ต่อไป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 เนี่ยคือวิถีแนวทางของสติปัญญาสี่เป็นถ้าเท่าถึงจุดนี้ได้เจดวันบางทีไม่ต้องเจดวันแล้วเจ็ดชั่วโมงนี้ก็ได้ฟังทำปั๊บหนึ่งบรรลุได้ก็งทีอย่างที ko, ่พรเจ้าสอนคนท mm ี hmm. prompts, seul, ่ไปถามท่านตอนที่ท่านบินบัลลังต์ท่านก็บอกสอนสั้นแล้วไม่มีเวลาเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นรู้อะไรได้ยินอะไรกสักแต่ว่าได้ยิน ตอนนั้นน่ะตั้งใจอย่าให้มีอารมณ์กับสิง่งที่มาสัมผัสเรียนแต่รับดูแล้วก็ปล่อยวางเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาไม่ต้องไปยินดียินรำกับสิง่งที่มาสัมผัสก็เขาเขาบรรลุละทอลาไปเตียงบริถายาแกมาบวน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 หลายถึงตติปัฏฐานสีเนี่ถ้าเข้าถึงจุดนี้แล้วรับรองไม่นานปัญหาคือว่าตอนที่ปัญญาจะหมุนอย่างนี้ได้เนี่ยสมาธิมันต้องมีระดับหนึ่งที่จะให้เกิดกปัญญากำลังที่จะหมุนหมุนปัญญาให้ ไ, ได้แล้วสมาธินี่มันจะไปตัดทอนกำลังของกิเลสด้วย ถ้าไม่มีสมาธิมันกินเมันจะมีแรงมากมันจะคิดไปในทางโลกโกรนลองเรื่อยพอทำสมาธิแล้วไอมันมันจะถูกเหมือนถูกฉีดยาสนุปมันกำลังมันจะน้อยลงแต่มันไม่ตายมันก็ยังมีมีโอกาสหายไม่ได้แต่มันจะมีทำให้เรามีช่วงว่างพองที่จะคิดไปในทางปัญญาคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเราเอง้า แล้วพอมันพอฤทธิของสมาี่หมดไปนี้กิเลสมันก็จะออกมเราก็ต้องหลุดพิจารณเราก็ต้องกลับมาทำสมาธิเหมือนกันกินยาสงบเพิ่มขึ้นกับปิญญาหมือนี่ยกิเลเริ่มออกมาเตะ ก, กะละการพิจารณาของเราไม่เป็นเหตุเป็นผลลนะเริ่มสับสนเริ่มคุ้งซ่านเริ่มเริ่มวนไหวเริ่มมิดตกนั้นแสดงว่ากําลังของสมาธิหมดลนะ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 เราจะได้ตกกันเลยใช่ไหมตกเปนตกตายเป็น ต, น า, ตายแม่ผมก็กลัวผี่กลัวเรองตกทีนี่มันไม่มีเหตุผลนะผีมัน ม, มีใครเห็นผีมันไม่มีอยู่ผีมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยคือผี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 ความความไม่กลัวนี่แหละที่เจะ้าจะ่ากำจัดถี่ได้ความกลัวนี่ยเป็นตัวสร้างถี่ขึ้นมาเท่านั้นแหละเรา<ม>ถึงมีคำพูดว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวนี่กับความกลัว<ม>นั่งไปรีดไปอยู่ป่าช้าได้แล้วอยล้ <laughs> วรู้รอดไปเลยแต่เราก็เป็นป่าช้าอยู่แล้ว ค่ะเช่าท้องเราก็มีทั้งเป็ดไก่หมูกุ้งปูปลามันอยู่ในอยู่ในท้องเราเป็นป่ชาช้าอยู่แล้วเนี่ยค่ะค่ะ เ, เข็มก็ไม่เคยกลัวแล้วยาก็ไม่ฉีดไม่กินอะไรทั้งสิ้นแต่ทุกคนที่นะผ่านไปไม่ได้ะคะเราไม่เราไม่พูดโทรศัพทเราพูดโทรศัพท์พูให้มันถือเดี๋ยวมันจะอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะคาพูดโทรศ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 ตอนนั้นมันก็จะเป็นปัญญาปล่อยแบบปัญญาแต่เบื่องตอนนี้ต้องอาศัยการบริการพุทธโธพุทธโธหรือคำบริการปันญาที่เราถนาที่เราชอบก็เกาะติดกำบมันไปเลยทุกลมหายใจเขา้าออ่ยากแต่ให้มีโอกาสไปคิดถึงความเจ็บเลยทำไ่ดูเลยรับรองได้คอยบอกคนเขาไปทำาก็บอกทำแล้วเ็าทำได้เลย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 พิเศษธามันหายเลยอะจิตสงบลงแลวไม่นานจริงๆลองไปท่ทําลยเราไม่มีใครสอนะัแต่ตอนที่นั่งใหม่ๆมันเจ็บแล้วก็นึกถึงนิดจังอันนิจจังแล้วก็ท่องอันนิจจังอันนิดจังไปไม่เลือกแค่สองสามนี่นะสองสามนาทีนี้นมันหายไปละความเจ็บมันหายไป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 เป็นการ์ตูนต <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าสร้างเป็นหนังมันราคาแพงก็ทาเป็นการ์ตูนมันค่าใช้จ่ายมันต่ำกว่าแต่เป้าหมายก็คือต้องการที่จะจสแสดงพุทธประวัติและคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราดูบางส่วนแเราก็ประทับใจมีคําสอนที่สอดแทรกเช่นตอนที่จะนิพพานก็พานกันก็ถามปัญหาหลายขอ้ขอพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบหลายขออ้ขอให้ฟัง ก็เอาไปเอาไปคนละแผ่นจะนันก็ไม่มีเก็บครอเปล่ถ้าเหลือแล้วใครต้องการเอาไปสานใครก็ได้ก็ได้แต่ก็แว่าให้สะดวกเวลาเราทำงานก็ต้องให้สะดวกอยู่ตับเราตลอดว่างานอยู่ทำงานตลอดย่าไปคิดถึงลูกคนละแผ่นครับอย่าไปคิดถึงเมื่อนนี่หรือเมือวานนี่อย่ยให้อยู่กับงานอยู่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 เมงปนี่ยเราดึกได้ขึ้นอย่างว่าไอ้เมื่อกี้เราไม่ควรทํเนะาควรจะเวริ่งเฉยควรจะเฉยควรจะปล่อยอย่างมากแล้วเขาไปเลยถ้าจะทําก็พิจารณาด้วยด้วยเหตุผลว่ามันคนเราควรจะทําอะไรไมแล้ว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 ถ้าหรือว่าตช้ตงการเกาไปฝากภายก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ต้องการเก็บได้ตอนนี้มามาหน่อยใกล้กินใหม่คืมันเป็ น, นบรากาศเป็นบ้างแล้วคุณกำลังานเยอะเคร่องกินใหม่ลงล ง, งตามไม่คิดว่าคุณไม่ลงมาก็าเอ็นการเพิ่มขึ้นไปการท่านยังไม่ลงมาเลยใช่ไหมว่าดีไม่ได้จะลงได้<ต> แต่เข้าไปดูในเว็บก็ไม่มีกำหนดวารไม่มีกำหนดการเขาจะมีแต่ว่าวันนี้หลงตาไม่ได้เทถ้าเป็นอธิยาศัยของท่านท่านก็ทำมามากพอแล้วจนให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่ไม่ได้พักมีพวกหมอไปขอกันรุกวันควรจะพักสร้างหลวงพิมพ์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 อาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์สมัยนั้นนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อไป ท, ท่านแค่เห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากที่สามารถทำหน้าที่แทนท้านไ้แต่ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแต่ก็ละสังขารไป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 พวกที่เป็นพวกที่ไม่ปรารถนาดีเขาก็จะมองไปอย่างนั้นได้<ม>ก็เป็นเรื่องของความคิดของคน<ม>จะมองยังไงก็ได้<ม>แต่คนที่มองด้วยด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยด้วยธรรมะก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่เสีย<ม>สละอย่างสมศรีอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆมันสบายกว่าทั้งนี้แหละกว่าที่จะต้องมารับ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 ขอกระาเป็นอะไรเป็นสมมุติตนถ้าเป่นเหมือนกับขี้ดินปิดหัว <c ười> แต่ทีคิดว่าเป็นงอนที่ว่าเป็นหงอนเนาะเป็นเป็นน้อนงอกนนออกมาที่ว่าเป็นบางในความยิ่งใหญ่ของตัวเองถ้าจริงก็เป็นสมมตุติเป็หัวโขนแต่นั้นเองความยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ใจที่ จะอ่านโดยส่วนใหญ่ตงนั้นคนที่เห็นแล้วไม่สงสัยไม่หลงประเด็นคนที่ยังไม่เห็นก็ยังจะหลองอยู่ครับสมมุติต่างๆได้ตำแหน่งขึ้นมาโเรืเ่นฉลองสักเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ได้ข่าวว่ามีพระอยู่ที่เมืองพัทยานี่ก็ได้เล่อนตำแหน่งอ่อจัดงานฉลองใหญ่โต ทำงานเราก็ต้องพยายามทำให้อยู่เทียงเวลาที่ทำงานควนจะกป็นอย่างไรคจะทำให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าทำไม่ได้เราจะบอกมีใครได้ไห้ไม่ได้บเท่านั้นเลยาะไม่เป็นการทาบุญแต่ถ้าเรายังทาไม่ได้ก็ไม่บอถ้าเเกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ได้ใครคนนั้นเป็นการลดละสินเล่นกับถ้าไม่ได้ทําแสดงว่าไม่ได้ละ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 อาจารย์จะมากระบอาจารย์เองนี้สวกเวลาไหนครับอาจารย์บ่ายโมงขึ้นเลยนะทุกวันทุกวันมาแร็วรัาสภาพดีแต่สุภาพทาตามแจ้นจางับปิดบ้านไม่คุยกัใรเดี๋ยวตอนนี้มีลูกศิษย์หลายคนเข้ามาเช่าบ้านเกเท้าอยู่ที่บ้านเพิ่แล้ว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 เดีกก๋ยําำหนดบริเวณเลยบางทีก็ให้นั่งอยู่เก้าอี้บางคนก็บอกว่านั่งองเดียวถือยาบุตนั่งเดียวแต่นั่งเก้าอี้แล้วไม่ได้นั่งคัตสมาต่ลหลับก็หลับเป็นาคาเก้าอี้เนั้นก็นั้นก็เจริญสมาธิจเจริญสติจเจริญปัญญาลสละกเงขัยยังเห็นอารมณ์แล้วขึ้นนิดนึงค่ะแต่ว่าหยุดไม่ได้เ ไ, <ร>ไม่เป็นไรสติยังไม่ทันสัญญายังไม่ทันทำจิตให้มันสงบได้เท่าไหร่แล้วมันจะช้าลง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 พูดดุนค่ะอันยากมากแต่ลูกก็ยังไม่เข้าใจท่านพูพพดเพื่อมันละเอียดยิ่งกว่าปารมณูแล้วมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทราบเจตนาของคำพูดของท่านว่าท่านจุดเตอย่างไรคือท่านอธิบายลักษณะของของของจิตในต่อที่ที่สุดท้ายของความละเอียดของจิตนี่ค่ะแบบมันละเอียดขนาดนี้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 เป็นคพื่อนแต่เป็นเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องรักษาตอนตอนตอนตอน้นทันเทคว่าเวลาปฏิบัติไปก็คิดเลยอวิชชานี้เป็นเสือพอไปเจอตัวจริงมันเป็นเหมือนนางบางเงานางบางเงาก็ผ <c oughs> ู้หญิหายจีนตามคื้นที่ยียนอยู่ข้างหลังตามเงาของเสาไฟฟ้าเงื่อนยังบางเงาก็ แทนที่จะไปกลัวมันก็ไปรักมันไปดูแลรักษามันไปปกป้องแสดงว่าตอนนั้นมันไม่รู้มันไม่ถ่ามันไม่มีปัญญามันไม่รู้มันมันผิดมันผิดพลาดไปคิดว่ามันเป็นตัวที่น่ากลัวเหมือนมหาโจรเห็นหน้าปุ๊บจะต้องรู้ว่าโอ้นี่คืออวิชชา มหาโจมสมยัยนี้กับใส่สูตรใส่ชุดใส่ชุดขับรถปรลาไี้อย่างนี้มหาโจมสมยัยใหม่พวกนี้โกงโกงด้วยด้วยตัวเลขไม่ได้โกงด้วยปืนถ้ามีครูบาจาร์ที่ท่านผ่านแล้วท่านคอย ที่แนวบอกไว้ก็ลงหน้าเนี่ยเขามาถึงจุด น, น, นั้นก็จะเข้าใจทันทีออเนี่ยที่มันว่ามันละเอียดสกุล ม, มันมันสุดสุดยอดอะไรเนี้ยนั่นแหละตัวนั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวอวิชชาแต่เราไม่รู้เราคิดว่าเป็นตัวนิพพานแต่เราไม่แต่เราถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้ว่ามันมันมีอาการเปลี่ยนแปลงเล็กเลกน้อย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 เพราะมันยังต้องคอยมารักษาคอยมาเติมเติมเต่ความสุขนั้นอยู่มันไม่ได้เป็นแบบที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าวิเคราะห์หน่ก็รู้ว่านี่แหละคือมันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นตารักถ้ามันอะไรเป็นตายรักมันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นตลรักก็แสดงว่ามันเรายังหลงยังติดมันอยู่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 ตัวที่มันสว่างส ว, งสวย แ, วแต่พอถ้ายินได้ยินได้ฟังท่านพูดไว้ก่อนนะครับ่จากไม่่งยานแล้วพอจริงจริงันนี้แล้วออตัวนี้แหละที่เราต้ององกันงนดี๋ยนจะเ็นัากนแล้วกันเนียแต่มันต้องผ่านกายผ่านวิทยาน ผ่านผ่านกายผ่านเวทนาผ่านนามขันเข้าไปก่อนเราจะเข้าไปถึงตัวนี้อย่าเงี้ยเราเหมือ น, นก็จะรูออ้ตัวนี้เองถ้าไม่มีใครสอนไม่เคยีใครับบอกก็คิดว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้ว <c oughs> แต่ว่ายังไม่ช้าเป็นยังเป็นเหมือนโปะให้ครอบตะเ ก, กียงอแก้วที่ครอบตะเ ก, กียงอยู่ถึงแม้เราจะเช็ดมันจะทั้งใสสะอาดยา่ังไงมันก็ยัง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 เาปล่อยวางวันทีนึงก็จะแตกกระจายหายไปก็ไม่เคยคุยกับคนอื่นนะไม่รู้ว่าเขาหายยังไงมันดีพวกลุงยังมมีใครหายเลย ไม่รู้สัตวรู้ี่มันห่างไกลกันมากเลยใช่ไหมคะแบบนี้เหมือนเ่ต้แนาถึงสัวรู้ไ่มก็รู้ว่าเฉยๆไม่ได้มีอารมกับกับสิ่งที่เรารับรู้รื่องบอลอยู่ทองยังไม่ได้แต่งงานก็เฉยๆเหลตั้งทองแน่ๆคุหมอบอกว่าคุณเป็นมะเรงก็เฉยๆจะรู้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 เพียงแต่ว่ามันสักแต่ว่าเราอยู่ในได้ชั่วระยะหนึ่งพอมันถอนออกมาแเราไปรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์มันก็รับมันก็เริ่มปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นไปด้วยกับการรับรู้นั้นท่านกมาสอนว่าให้ระงับการปรุงแต่งเวลารับรู้อะไรก็อย่าไปปรุงแต่งให้รับรู้เฉยให้ระงับดับสังขารไว้ไม่ต้องไปดีใจเสียใจไม่ต้องไปยินดียินร้อน อยู่ในขณะที่เป็นสมาธิก็จับแต่ว่ารู้ได้แต่พอออกมาจากสมาธิแล้วรักษาความจับแต่ว่ารู้นั่นไม่ได้พอเห็นอะไรแล้วที่งสายเดิมกิเลสมันมีอย ม, มันก็จะมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบตอบลกกับสิ่งที่ได้สัมผัสทางทีเห็นสิ่งที่รักก็ก็อยากได้หรือห่วงหรือเสียดาย เห็นิ่งที่เกลียดก็อยากจะให้มันหายไปอยากจะนี้จากมันไปตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าศาสตร์วารุณนะเขาจะเป็นอยงานก็เรื่องเก่าไม่สําคัญการที่เราไปมีปฏิเจริยาเนี่ยเป็นทิศเป็นภัยกับเราแต่การที่เขาจะไล้จะจะจ ะ, จะเป็นอะไรก็จะทําอะไเรื่องนี้ไม่ร้ายแรงเท่ากับเราทําตัวเราเองจมีปฏิเจรจาปากโตกับสิ่งที่เราเป็นรับรู้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 หรือเราต้องเป็นคนขับอ ย, บยู่ตลอดเวลาไม่นั่งขับแล้วก็ติดสายชีดแบล็คไว้ใสา่กุญแจล็อกไว้เลยใครจะมาขับรถคันนี้ไม่ได้เราจะขับคนเดียวความคิดของเรานี้จะไปทางธรรมะอย่างเดียวในทางใจรักในทางบ่อยวางทําได้เพียงแต่ว่ามันช่วงระยะแรกนี้มันเหมือนก็นแย่กัน ใครมีกำลังมากกว่าใครเร็วกว่าก็จะได้รับใครมีกำลังน้อยกว่าก็ก็ต้องถอยออกไปแต่เราสามารถที่จะสร้างกำลังให้เอนมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการพยายามมีสติแล้วพยายามบังคับให้ลองคิดไปในทางธรรมะเช่นเริ่มต้นก็คิดไปในทางพุทโธก่อนไะคดับถ้าพิจารณาไม่เป็นพิจารณาไปแล้วไม่ตรงกกบพุทโธไปก่อน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 เรามีกำลังในการควบคุณความพุดของเาได้เราก็สามารถกำหนดให้มอนคิดเรื่องอะไรต่างๆได้คิดร่างกายอาการสายติดสองอากาพเรื่องท่าสีเรื่องน้ำไหเรื่องชาสดอะไรนี้เราก็บังคับให้มันคิดได้พิจางทางรรมอะไรพิจารณอริยสัจสี่เราต้องบังคับความคิดของเรา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 เงินทองหามาได้เท่าไหร่เวลาตายไปก็เป็นของคนอื่นไป <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเลยกิดตัวไปกลับมาเกิดก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้ามีธรรมะติดไปกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องเริ่มต้นที่ศีลเริ่มต้นต่อจากที่เราได้ทำที่เมื่เพราะมันติดอยู่ในจิตเราแล้วถ้ามีสมาธิก็จเจริญปัญญาได้เลยไม่ต้องมายั่งทําสมาธิ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 ให้พรนะยะท้าวเรวะอาตุระปริปุเรนติสักหลัเอวามวะอุดจิมัเปตานัอุตคัเต เอจิตังปาิังตุหังคิปเเวะสนิจฉะตุลภเพโเรหตุสังคปะจันโทนะะยทามณิโชติระโสยท้าสัพพิติโยวิวัจฉันตุจักภะโรโววินตมาเตภวทันตารโยสุขีจุขโกภว าพิวาทานสีมิตรยังวุฒาปจายนโนจตารโธรรมวทานติอายวันโนสุขังภาลัง น, นี้เป็นกเรเมตตาเป็งความเสื่อมซึ่งความจริง้วลูกไปบ้านตาัดทม้งี้ลูกไมู่ว่าเสื่อมไปไมื่อไหร่าั้งหลที่หญิงเสื่อมไปแบบ ไ, ไ, ไม่เห็นเดินเลยแล้วมัน<ช>ทำให้สิลูก เจ้าหมองมากเป็นธรรมดาเพราะว่าเกกระจาที่ชารักษามันเป็นเลยทุกบาการเขาไม่มีกาลังวงชาที่จะไปควบคุมเลได้เหมือนเมื่อก่อนคือข้างในด้านด้านชาหยึงเป็นเดิมแต่ด้านผู้หญิงเนี่ยเขาปลูกสร้างเหมือนสลัมเลยก็เลยว่านี่แหละใช้ปัญญาที่จะน่าจะจะได้ผลการรู้ผลการู้ เราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้แล้วเราไปทุกคนานี้เราไปอดดูใจไปลูกไปแล้วตางกมนไ่เหมือนกันแล้วต่างกับเมื่อ่อนไม่แล้วต่างกับเมื่อก่อนไม่เหมือนัล้ตบไม่เหมือนนลวาั่มเแล้วต่งกัม่ไม่กนแล้วกัม่นกนแ้วับมนม่มนแวับกนหลวต่างบเกเหมือนกัน่เมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกันแลงบอนอนง ของผู้เทศน์ผู้สืบสาวก็การที่ท่านอยู่ท่านมีกําลังจากเวลาก็เรียบร้อยอยู่แต่ท่านไม่มีเรื่องมีแรงก็มันก็ต้องเป็นไปตามสภาวะของจิตใจของคน ท, ที่เขาก็อยู่นั่นแหละจิตใจของเขาเป็นอย่างไนเขาก็ต้องทําอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้แต่เราอยากไปไปไ ป, ไปมีประฏิทธิระยาคนนี้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 เราไม่ได้มีใจรักควบควบคู่ไปกับความคิดของเราความคิดของเราไม่ได้ไม่ได้ติดฉลาดอ น, นิจังทุก ข, ข์หายตา <c oughs> เวลาเรากินยาเรายังเปิดยายังเดินที่ขวดเยอะฉลาดฝั น, นให้หมดอา ย, เยนะุเวลาเราคิดเรนไม่คิดว่ามันเป็นใจรักมั้อะไรมันก็เป็นใจรักเอาเ <c oughs> น, นี้ยเราไม่รู้ใครอยากจะถามอะไร ตัวแล้วถ้าจำขังอามาคิดในทางทําได้ที่อย่างนี้มารูปประคั่แล้วก็สัญญาเวทานาวิญญาณก็มาใช้ในทางทําได้เช่นกันใช่ไหมคะใช่แต่ตัวที่จะใช้จริงๆก็ตัวสัญญาแต่สังขารเพราะว่าเป็นตัวที่จะคิดบุ๋งแต่งขึ้นสัญญาก็คือจําถ้าเราจะจําก็จําเรื่องธรรมะอย่าไปจําเรื่องจุดเด็ถ้าเราจะคิดก็คิดยังธรรมะ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 เคเห็นว่ามันดีเด่นมันไม่มดีนี่มันก็นเป็นัยงญญางมาเปรียบเที่ยวแล้วสักษามันก็ปรุงแต่งแล้วผลสู่ใจขึ้น ม, มนะาเสียดายเสดาอแต่วิธีปฏิบัติเราไม่ต้องมามันไม่ต้องมาคอยคอยแยกแยะมันมทาํางานของมันโดยธรรมะหน้าที่ของเราคือข ย, ยับอัดธรรมะเข้าไปในใจเราเยอะๆให้คิดแต่เรื่องธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วตัวนี้มันจะทําหน้าที่หยุดทุกอย่างได้เองที่สุด